วันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2556เป็นวันสิ้นปีเป็นวันที่พวกเราจะได้มาทำบัญชีของใจกันใจก็เป็นเหมือนบริษัทที่มีงบได้ใจกับงบรายรับ เวลาเส้นปีก็มีการทำบัญชีกันสักครั้งหนึ่งดูว่าปีนี้ประกอบกิจการได้กำไรหรือขาดทุนก็มีรายรับและรายจ่ายถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็ได้กำไรถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับรายได้ ก็จะขาดทุนใจของเราก็มีรายรับมีรายได้มีรายจ่ายเหมือนกันรายรับของพวกเราก็คือบุญส่วนรายจ่ายของพวกเราก็คือบาปในแต่ละในแต่ละวันเราได้ทําบุญและทําบาปกันมากน้อยอย่างไรเราควรที่จะมา ทำบัญชีกันดูถ้าบุญก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี่เป็นบุญถ้าเราทำทานได้ทุกวันรักษาศีลได้ทุกวันภาวนาได้ทุกวันบัญชีของเราก็จะบวกบัญชีบุญของเราก็จะบวกถ้าเรา ทำไม่ทำบุญทุกวันไม่รักษาศีลทุกวันไม่ภาวนาทุกวันบัญชีของเราก็จะไปติดลบคือบาปเราจะเราจะทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาที่เราตายไปนี้ดวงใจของเราหรือดวงวิญญาณของเรานี่จะถูกบุญและบาปเป็นผู้ ดึงไปใจเราเป็นเหมือนเกวียนแล้วก็มีมา้าหรือวัวควายที่จะล่าเกวียนของเราไปก็อยู่ที่ว่าบาปหรือบุญมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงใจเราไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่าง ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงใจให้ไปสู่อบายไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นนรกนี่คือกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เราตายไปแล้วคือร่างกายตายไปแล้วแต่ใจ ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะถูกกฎแห่งกรรมเป็นผู้ชี้ชะตาว่าจะไปทางใดกรรมก็คือการกระทาของเราในแต่ละวันทางกายทางวาจาและทางใจนี่เองถ้าเราทำทานรักษาศีลภาวนาเราก็ทำกรรมดีทำบุญ ถ้าเราไม่ทำทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาเราก็ทำบาปเมื่อเราทำไปแล้วมันก็จะมีกำลังที่จะดึงใจของเราให้ไปในทางใดทางหนึ่งตอนที่เรามาเกิดนี่เป็นมนุษย์นี่เป็นช่วงที่บุญกับบาสนั้นมีกำลังพอกัน คือบุญก็ไม่สามารถดึงไปสวรรค์หรือเหนียวรั้งเราไว้ในสวรรค์ได้ถ้าเราเป็นเทวดาแล้วก็บาปก็ไม่สามารถดึงหรือเหนียวรั้งให้เราอยู่ในอบายไดเพราะกำลังเท่ากับบุญก็เลยต้องมาเป็นมนุษย์มนุษย์นี้เป็นเหมือนกับที่สร้างบุญสร้างบาปส่วนภพของเทวดาของพรหม ของพระ อ, อริยเจ้านี่เป็นที่ไปรับผลบุญและพบของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของนรกนี่เป็นที่ไปรับผลบาปพอผลบุญกับผลบาปมีกำลังเท่ากันก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็กลับมาได้สองลักษณะ กลับมาเกิดแบบอาภัพวาสนาหรือกลับมาเกิดด้วยบุญบารมีพวกที่ลงมาจากสวรรค์นี้จะเป็นผู้มาเป็นมนุษย์ที่มีบุญบารมีเพราะว่าบุญที่ได้ทําไว้ยังมีตกค้างอยู่ในใจส่วนผู้ที่กลับมาเกิดจากอบายนี้จะเป็นผู้มาเกิดด้วยความอาภัพวาสนา มีรูปร่างหน้าตาก็แตกต่างกันผู้ที่มีบุญบารมีจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสจะมีอาการครบสามสิบสองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมรีมีอายุยืนยาวนานมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่างพระอ่า พระเวชสันดรเป็นตัวอย่างตอนที่เป็นพระเวชสันดรท่านก็บำเพ็ญทานบา ร, รมีรักษาศีลภาวนาอย่างเต็มที่พอท่านตายไปร่างกายตายไปท่านก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเสวยบุญของเทวดาพอบุญของเทวดาเท่ากับบาปที่เคยทําไว้บุญที่เคยทําไว้ ลดลงมาเท่ากับบาปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญวาสนาบารมีมาได้เป็นราชกุมารเป็นลูกของกษัตริย์แล้วก็สามารถที่จะออกบวชและปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตสตะสมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา นี่คือตัวอย่างของผู้ที่กลับมาจากสวรรค์ผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีผู้ที่จะมาสร้างบุญวาสนาบารามีต่อหลังจากที่ได้กลับมาจากสวรรค์เพราะบุญเก่านี้ยังมีกำลังที่จะผลักดันให้ไปสร้างบุญใหม่ต่อคนที่เคยชอบทำบุญเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะชอบทำบุญต่อเวยทำทานก็จะทำทานต่อเคยรักษาศีลก็จะรักษาศีลต่อเคยภาวนาก็จะภาวนาต่อบุญเก่าจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าผู้ที่มีบุญเก่าผู้ที่ได้ทำบุญมาในอดีตนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะบุญเก่านี้จะเป็นเหมือนกับลม ที่จะพัดเรือใบให้วิ่งต่อไปได้ไปในทางที่ดีไปสู่มรรคผลนิพพานต่อไปในทางตรงกันข้ามผู้ที่กลับมาเกิดจากอาบายจากการเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือกลับมาจากนรกก็จะกลับมาเกิดแบบคนอาภัพวาสนา เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสอาการไม่ครบสามสิบสองบ้างไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกอย่างบางคนก็ ร, รูปร่างหน้าตาไม่สวยงามบางคนอาการไม่ครบสามสิบสองบางคนสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงบางคนมีอายุสั้นไม่ยืนยาวนานบางคนก็ ไม่ล่ำไม่รวยยากจนอดอยากขาดแคลนบางคนก็ด้อยทางด้านสติปัญญาไม่ฉลาดเป็นคนโง่แล้วก็จะชอบทาบาปชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนกบคนชั่วเป็นเม็ดชอบความเกลียดค้าน นี่คือลักษณะของคนที่เคยทำบาปมาจะมีนิสัยเดิมติดกลับมาด้วยนิสัยเดิมนี้ก็จะผลักดันให้กลับมาทำบาปต่อกลับมาเสพสารยาเมาต่อมาเล่นการพนันต่อมาเที่ยวกลางคืนมาคบคนชั่วเป็นนิตรมาชอบความเกียจคร้านจะไม่ชอบทำงานไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ชอบทำมาหากินด้วยวิธีที่สุจริต ชอบทำหมากินด้วยการเล่นการพนันด้วยการรักทรัพย์ด้วยการช่อกด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คือลักษณะของคนที่กลับมาจากอบายมนุษย์ดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณที่กลับมาจากอบายจะเป็นอย่างนี้โลกของเราจึงมีคนสองชนิดปนกันอยู่อย่างนี้ถ้าคนเข้าใจหลัก ของกรรมแล้วจะไม่สงสัยจะไม่ถามว่าทําไมคนนี้ถึงเป็นอย่างนี้ทําไมคนนี้ถึงจะเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาทําตัวของเขามาอย่างนี้เองเขาเป็นผู้ริกิยดชีวิตของเขาเขาเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของเขาด้วยการกระทําของเขาถ้าเขาทําดีเขาก็จะเป็นคนดีถ้าเขาทําบาปเขาก็จะเป็นคนไม่ดี ไม่ว่าเขาจะไปเกิดในครอบครัวของคนดีหรือของคนไม่ดีก็ไม่สาคัญคนไม่ดีไปเกิดในครอบครัวของคนดีก็เป็นคนไม่ดีอยู่ต่อไปคนดีไปเกิดในครอบครัวของคนไม่ดีก็ยังเป็นคนดีได้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละคนไม่ได้เป็นสิ่งที่รับถ่ายทอดเป็นกรรมพันธ์จากพ่อจากแม่ เหมือนกับร่างกายร่างกายนี้เหมือนพ่อเหมือนแม่เพราะเป็นของพ่อของแม่ผู้ผลิตขึ้นมามีรูปร่างหน้าตาคล้ายคคื่งพ่อแม่อย่างนี้แต่นิสัยใจคอการชอบทาบุญแล่ชอบทาบาสนี้ไม่เหมือนของพ่อของแม่นี่คือลักษณะของออของสัตว์โลก ที่เวียนว่าตายเกิดอยู่ในภพน้อยในภพใหญ่เป็นอย่างนี้แต่การที่เราจะมีบุญวาสนาบารมีหรืออาภัพวาสนาบารเีนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นถ้าเราอาภัพวาสนาแต่เรามาเกิดอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในสังคมที่มีคนมีบุญมีวาสนา ชักจูงให้เราไปทาสิ่งที่ดีที่งามถ้าเรามีปัญญาสามารถแยกแยะเห็นเห็นเห็นการกระทาต่างๆว่าการกระทาอย่างนี้ทำให้เราเป็นอย่างนี้การกระทาอย่างนั้นทำให้เราเป็นอย่างนั้นเช่นการกระทาดีทาให้เราเจริญทำให้เราก้าวหน้ามีวาสนามีบุญมีบารมี ถ้าเราอยากจะมีวาสนามีบุญมีบารามิเราก็เปลี่ยนได้ถ้าเราเคยชอบทำบาปเราก็เลิกได้เพียงแต่ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนนี้มันจะเป็นเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากว่าเราไม่ถนัดเราเคยถนัดทำอะไรพอเราต้องมาทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำนี่เราจะรู้สึกว่ายากเราจะไม่ชอบ แต่ถ้าเรามีปัญญาพอที่จะเห็นว่าเห็นผลที่จะเกิดตามขึ้นมาต่อไปถ้าเราฝืนไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วฝืนทำในสิ่งที่ดีทั้งๆ ท, ที่เราไม่ชอบทำสิ่งที่ดีทั้งๆ ท, ที่เราชอบทำบาปแต่ถ้าเราพยายามฝืนไปต่อไปเราก็จะชอบทำสิ่งที่ดีจะไม่ชอบทำสิ่งที่ดีไม่ดีไม่ชอบทำบาป เหมือนกับการใช้มือซ้ายมือขวาเราแต่ละคนมาเกิดนี่จะมีความถนัดมือซ้ายมือขวาไม่เหมือนกันบางคนก็ถนัดซ้ายบางคนก็ถนัดขวาแต่ถ้ามือขวาของเราที่เราถนัดนี่มันเสียไปใช้ไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องใช้มือซ้ายที่เรามีอยู่ตอนต้นหัดเวลาใช้มือซ้ายใหม่ๆก็จะรู้สึกว่ามัน ยากมันไม่ถนัดทําอะไรไม่คล่องแคล่วว่องไวแต่ถ้าเราฝึกทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเกิดความเคยชินเกิดความถนัดขึ้นมาเหมือนเวลาที่เราเหมือนเวลาที่เราหัดนั่งนั่งพิมพ์ดีหัดพิมพ์ดีเวลาที่เราไม่เคยพิมพ์ดีเริ่มมาพิมพ์ดีใหม่ๆนี่เราจะต้อง คอยจิ้มเท่านิ้วท่นิ้วไปก่อนก็มีอแบบฝึกหัดให้เราฝึกจิ้มไปเรื่อยๆพอเราจิ้มตักษรที่เราใช้นิ้วนั้นนิ้วนี้จิ้มไปแล้วเราก็สัมผัสดูกับตัวอักษรขณะที่นิ้วของเราก็จิ้มไปบนตั้งทําไปซ้ําๆบ่อยๆเขาเดี๋ยวมันก็เกิดความเคยชิมเกิดความชํานาญขึ้นมา พอจำนาแล้วทีนี้ก็สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วนี่คือเรื่องของการฝึกฝนอบรมที่ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันเพราะดวงจิตดวงใจของทุกๆคนตั้งแต่เดรัจฉานตั้งแต่สัตว์นรกขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้านี้เป็นดวงใจเหมือนกันเป็นใจเหมือนกันมีคุณสมบัติมีความสามารถที่จะ พัฒนาให้ขึ้นไปได้เท่ากันหมดอยู่ที่ว่าจะมีความเพียรพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ขึ้นไปหรือไม่ท่านั้นเองการที่พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นโชควาสนาของพวกเราเพราะเราจะได้ศึกษาถึงธรรมชาติของของใจของเราและ กฎแห่งกรรมแล้วเราจะได้รู้ว่าพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นคารวะผู้คลองเรือนสถานภาพแบบนี้เป็นสถานภาพชั่วคราวที่เราสามารถเปลี่ยนได้เหมือนสมัยที่เราเป็นเด็ก แล้วก็มีสถานภาพเด็กพอเราโตขึ้นมาจากเด็กชายเด็กหญิงก็เป็นนายเป็นนายเป็นนางสาวไปแล้วพอได้แต่งงานก็กลายเป็นสามีเป็นภรรยาไปพอมีบุตรมีทิดาก็กลายเป็นพ่อเป็นแม่ไปพอมีหลานก็กลายเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายไป นี่คือสถานภาพที่เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นมาตามการกระทำของเราดังนั้นพวกเราทุกคนตอนนี้เป็นปุตุชนธรรมดายังไม่ได้เป็นพาาระอริยบุคคลตอนนี้ถ้าจิตใจของเรายังไม่ได้ทำบุญยังไม่ได้รักษาศีลยังไม่ได้ภาวนาเราก็ยัง ยังไม่ได้เป็นเทวดายังไม่ได้เป็นพรหมยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ได้เป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นพระสกิดาคามีไม่ได้เป็นพระอนาคามีไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราเริ่มทำบุญทุกวัน ร, รักษาสิงทุกวันภาวนาทุกวัน ต่อไปเราก็จะกลายเป็นเทวดาขั้นต่างๆชั้นต่างๆเป็นพรหมชั้นต่างๆแล้วก็เป็นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆไปตามลำดับของการกระทาของเราของการทาทานของเราของการรักษาศีลของการภาวนาของเรานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของเรา ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางให้ผลไม่ให้เกิดขึ้นได้ถ้ามีเหตุคือการกระทำแล้วผลต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะมีความเพียรพยายามหรือไม่เพราะเราจะต้องฝืนกับความถนัดเดิมๆที่เรามีอยู่ตอนนี้เราถนัดอยู่แบบปุถุชนเรายังชอบ าหาเงินหาทองเพื่อจะได้เอาเงินเอาทองไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกเิ่นกายเราจึงมักจะหวงเงินทองมักจะไม่อยากทำทานมักจะไม่อยากแบ่งให้กับใครอยากจะหาไว้ให้มีมากๆเพื่อจะได้เอาไปซื้อความสุขต่างๆได้มากๆถ้าเรายังติดอยู่กับความสุขทางโลกอยู่ เราจะไม่สามารถที่จะทําฐานได้หรือถ้าทําได้ก็ทําได้เพียงเล็กน้อยเช่นปีหนึ่งอาจจะทําสักไม่กี่ครั้งทําในเฉพาะวันสําคัญสําคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่วันส่งท้ายปีเก่าวันเทศกาลสําคัญสําคัญวันเกิดวันอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีเหตุแล้วเราจะไม่ทํากัน เพราะเรายัางเสียดายเงินทองที่เราหามาด้วยความลำบากยากเย็ น, นเราอยากจะเอาเงินทองมาซื้อของต่างๆที่เราคิดว่าจะให้เรามีความสุขกันอันนี้เราต้องฝืนถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นเทวดาให้เป็นเทพให้เป็นพรหมให้เป็นพระอริยบุคคลเราต้องฝืนอย่าไป เสียดายเงินทองอย่าไปหวงเงินทองเก็บเอาไว้เพื่อซื้อความสุขต่างๆในโลกนี้เพราะเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไม่จีรังถาวอนเวลาตายไปนี้ความสุขต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เพราะว่าเราไม่สามารถเอาร่างกายนี้ไปกับเราได้เราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆ เช่นการหาความสุขจากการดูจังจากการฟังจากการดื่มจากการรับประทานนี้จําเป็นจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้หรือเวลาร่างกายตายไปทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง ความสุขต่างๆที่หาผ่านทางร่างกายนี้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปเวลาเราจากโลกนี้ไปเราก็ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยนอกจากบุญและบาปที่เราทำไว้ถ้าเราเป็นคนโลภมากอยากได้มากเราก็มักจะต้องทำบาปเพื่อที่จะให้เราได้เงินทองมามากๆเวลาเราตายไปเราก็เลยเอาบาปติดตัวไปด้วย แล้วเราก็จะมีบาปเป็นผู้ผลักดันให้เราต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเรามีความศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนว่าการทำทานนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงเราก็จะพยายามฝืน ไม่ยอมเอาเงินไม่เอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆจะเอาเงินนี้มาทำทานมาแบ่งปันมาสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือมาทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมคือจะไม่หาประโยชน์จากเงินทองเพื่อตัวเราเองเราต้องการหาประโยชน์จากการทำทานจากการช่วยเหลือผู้อื่นเพราะจะทำให้จิตใจของเรานี้ มีบุญมากขึ้นนั่นเองอันนี้เราต้องฝืนต้องบังคับตัวเราเองอย่างเช่นอย่างน้อยต้องบังคับว่าเราตอบปนี้จะต้องทำบุญทุกวันจะทำบุญในลักษณะไหนก็ได้จะใส่บาตรก็ได้ถ้ามีพระผ่านมาที่บ้านหรือจะทำบุญให้ขอทานก็ได้ให้พ่อให้แม่ก็ได้ให้พี่ให้น้องให้ใครก็ได้ขอให้เราได้ให้ก็แล้วกัน จะให้ในรูปแบบไหนก็ได้หรือว่าถ้าไม่รู้จะให้ใครก็เอาใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้ว่าวันนี้นี่คือเงินทำบุญนะแล้วจะไม่ไปแตะต้องโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกระตามแล้วพอเรามีโอกาสที่เราจะได้ไปวัดหรือไปทำบุญตามสถานที่ต่า ง, างๆเราก็จะได้มีเงินทำบุญเอาไปทำบุญได้ ขอให้เราทําทุกวันเพราะว่ามันจะได้ติดเป็นนิสัยถ้าเราทํำนานๆทาทีมันก็จะติดนิสัยนานๆทาทีถ้าเราทําทุกวันมันก็จะติดเป็นนิสัยจะทําทุกวันเมื่อเราทําบุญได้แล้วเราก็จะละบาปได้เราก็จะรักษาศีลได้ <t ries> ทําบุญได้ทุกวันเราก็จะสามารถรักษาศีลได้ทุกวัน พคนทำบุญนี้จะเป็นคนใจบุญจะไม่ใช่เป็นคนใจบาปจะไม่ชอบทำบาปแล้วก็พอพอได้ทำทาบุญได้ได้รักษาศีลได้ละบาปแล้วก็จะสามารถภาวนาได้ทำใจให้สงบได้ทำใจให้เจลาดได้เพราะหนึ่งจะมีเวลาเนื่องจากว่าจะไม่ต้อง เสียเวลากับการหาเงินหาทองตลอดเวลาถ้าเป็นคนใจบุญทำบุญสุนทานไม่อยากเ่ิมอยากรวยแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องหาเงินหาทองแบบ <c oughs> ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหย่อนเพราะว่ารายจ่ายนี้จะไม่มีมากเหมือนสมัยตอนที่อยากจะมีเงินมา ก, มากๆเพื่อไปซื้อข้าวของต่างๆไปซื้อสิ่งของต่างๆก็จะทำให้ไม่ต้องไปล่นลนนทํางานทาการ หามรุ่งหามคำ่ำจนไม่มีเวลาเวลาที่จะมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาภาวนาจะทํางานพอหาพอพออยู่พอกินก็พอถ้ามีเหลือก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไปถ้าไม่มีเหลือก็ไม่ต้องแบ่งปันเพราะว่าเราไม่ต้องการเงินทองแล้วเราต้องการบุญแล้วและบุญก็มีหลายขั้นด้วยกัน บุญที่เกิดจากการทําทานนี้เป็นขั้นแรกเป็นขั้นต่ําบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนี้เป็นขั้นที่สองเป็นขั้นที่สูงขึ้นและบุญขั้นที่สามบุญที่เกิดจากการภาวนานี้ก็จะเป็นบุญที่สูงสุดที่มีมีน้ําหนักมากที่สุดถ้าเปรียบเทียบเป็นธนบัติก็เป็นธนบัตรใบละพันใบละห้าร้อยถ้ารักษาศีลก็เท่ากับธนบัตร ใบละร้อยถ้าทำทานก็เท่ากับธนบัตรใบละ20บใบละ50นี่คือน้ำหนักของบุญที่มีความแตกต่างกันแต่เราต้องทำจากขั้นต่าขึ้นไปสู่ขั้นสูงก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันง่ายมันมีความยาก ง, ง่ายต่างกันนั่นเองการทำทานนี้ง่ายกว่าการรักษาศีล การรักษาศีลนี้ง่ายกว่าการภาวนาการนั่งสมาธินี้ง่ายกว่าการเจริญปัญญาวิปัสนาะแล้วก็ต้องอาศัยขั้นต่างๆเป็นผู้สนับสนุนเหมือนกับการศึกษาทางโลกที่เราต้องเริ่มจากชั้นอนุบาลขึ้นไปก่อนจากชั้นอนุบาลเราก็ขึ้นชั้นประถมจากชั้นประถมก็ขึ้นสู่ชั้นมัธยมจากชั้นมัธยมก็ ขึ้นสู่ชั้นอุดมศึกษาขึ้นไปตามลำดับเพราะว่าเราจะไม่สามารถเริ่มเริ่มต้นที่จุดสูงสุดได้เพราะเราไม่มีความสามารถเราต้องค่อยๆพัฒนาความสามารถของเราทีละเล็กทีละน้อยไปจากการให้ทานไปขึ้นสู่การรักษาศีลรักษาศีลแล้วก็ขึ้นสู่การภาวนาฝึกทำใจให้สงบจเจริญสมาธิก่อน การจะเจริญสมาธิทำใจให้สงบนี้ก็ต้องใช้สติต้องมีสติเป็นเครื่องมือผู้ที่จะทำให้ใจสงบได้สตินี้ก็เป็นเหมือนกับการฝึกฝึกยืนก่อนที่เราจะเดินได้เราต้องยืนให้ได้ก่อนเราฝึกยืนให้ได้ก่อนหัดยืนให้ได้ก่อนพอเรายืนได้แล้วเราก็จะเดินได้หัดเดินได้พอเราหัดเดินได้แล้ว เราก็จะหัดวิ่งได้ชั้นใดสติก็เหมือนกับการหัดยืนสมาธิก็เหมือนกับการหัดเดินส่วนปัญญาก็เหมือนกับการหัดวิ่งนั่นเองถ้าเราวิ่งได้เราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างร ว, วดเร็วถ้าเราเดินก็ยังจะไปช้าจะไปไม่ถึงถ้าเรายังคานอยู่ยังยืนไม่ได้นี้เราก็จะไปไม่ไปไม่ถึงไหน ดังนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจของเราให้เข้าสู่ขั้นสูงกว่าการเป็นเทวดาการทําทางกับการรักษาสีนี้จะทําให้เราได้ไปเป็นเทวดาถ้าเราอยากจะขึ้นสู่ชั้นสูงกว่าชั้นเทวดาก็คือชั้นพรหมเราก็ต้องมาฝึกทําใจให้สงบหัดนั่งสมาธิกันหัดเจริญสติกัน ถ้าเราไม่มีสติเวลานั่งสมาธิใจจะลอยไปลอยมาตามความคิดต่างๆ ต, ตามอารมณ์ต่างๆนั่งไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธินี้เราต้องอจเจริญสติก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อนเพราะสตินี้จะดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมาถ้าเป็นเรือก็มีสมอเรือ ทอดสมอเรือไว้แล้วเรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำถ้าใช้เชือกผูกกับท่าเรือเรือก็จะไม่ดอยไปดังนั้นใจของเราก็เป็นเหมือนเรือถ้าเราต้องการจอดเรือให้นิ่งเพื่อจะได้ขนถ่ายสินค้าหรือผู้โดยสาร mm. ก็จําเป็นจะต้องทอดสมอหรือผูกเรือไว้กับท่าไว้ก่อนพอเรือจอดนิ่งแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอด ขนขนขนขนขึ้นขนลงเข้าของต่างๆได้ใจของเราก็เช่นนั้นก่อนที่เราจะขนความรู้เข้ามาสู่ใจขนความโง่ออกไปจากใจของเราใจของเราต้องนิ่งก่อนถ้าใจไม่นิ่งเราจะไม่สามารถขนถ่ายปัญญาให้เข้าสู่ใจของเราได้ ดังนั้นเราต้องทําใจให้นิ่งก่อนให้เป็นสมาธิก่อนการที่จะทําให้ใจให้นิ่งได้ก็ต้องมีเชือกือมีสมอเรือถ้าทอดสมอเรือแล้วมีเชือกผูกไว้กับท่าเรือแล้วเรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ําใจของเราก็มีกระแสน้ํกากระแสน้ําคืออะไรก็กระแสของความคิดของเรานี่ใจของเรานี่คิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยนิ่งไม่เคยอยู่เฉยเฉยเลย ไม่เชื่อลองนั่งพุทธโธดูสักพักดูนีดูว่าจะอยู่กับพุทธโธได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะไหลไปกับความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดไปเรื่อยๆถ้าปล่อยให้มันคิดก็เท่ากับว่าไม่ได้ทอดสมอเเลยนั่นเองหลือใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะไหลไปตามกระแสของความคิดคิดแล้วก็จะเกิดอารมณ์อยากขึ้นมาก็จะทำให้นั่งสมาธิไม่ได้ พอนั่งได้เดียวเก็ยวก็เกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาทนไม่ได้ต้องลุกไปทำนูน่นทำนี่เลือนไปรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเดิมเครื่องเดิมชนิดนั้นชนิดนี้เพราะว่าไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดไม่ให้ไม่ให้ใจไหลไปกับความคิดนั่นเองดังนั้นเราต้องเจริญสติควบคุมความคิดให้ได้ อย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามความคิดด้วยการให้มีอะไรเป็นเครื่องยึดมีเสาหรือมีสมอเรือไว้คอยยึดใจของเราสมอเรือก็คื อ, เ, อเรียกว่ากรรมฐานนี่เองกรรมฐานที่ใช้ในการาควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาเช่นเช่นพุทธานุสตินี่ก็เรียกว่าเป็นกรรมฐานชนิดหนึ่ง คือการมีสติอยู่กับพระพุทธเจ้าเช่นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆหรืออานาปนาสติก็การมีสติอยู่กับการปับลมหายใจเข้าออกให้ผูกใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้เข้าดูลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ หรือจะใช้ร่างกายเป็นที่ผูกใจก็ได้เรียกว่ากายกตาสติก็คือให้เราเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาตั้งแต่เต่นขึ้นมาจนหลับว่าตอนนี้ร่างกายของเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นพอลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติว่าตอนนี้ยุดร่างกายอยู่ในท่าไหนอยู่ในท่านอนพอร่างกายจะขยับลุกขึ้นมานั่งก็ให้มีสติเฝ้าดูการขยับ ของร่างกายพอยืนก็เฝ้าดูการยืนพอเดินก็ดูการเดินพอเข้าไปห้องน้ําไปล้างหน้าล้างตาไปแปรงฟันไปอาบน้ําอาบถัาก็ให้เฝ้าอยู่กับการกระทําของร่างกายอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเดิมเอาไว้ถ้ามันจะคิดก็ใช้พุทโธช่วย อ, อีกเส้นหนึ่งก็ได้ถ้าใช้เชือกเส้นเดียวไม่พอ ก็ใช้อีกเส้นหนึ่งดึงมันไว้ท่อสมองแล้วมันยังจะไหลก็ผูกมันไว้กับท่าเรือเลยใช้ทั้งพุทโธใช้ทั้งร่างกายทําอะไรก็ให้ใจเฝ้าดูการกระทําของร่างกายแล้วถ้ามันยังเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธ ท, ท่องกํากับต่อไปด้วยถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องใจของเราจะไม่ไปไหนจะอยู่กับพุทโธจะอยู่กับร่างกายจะนิ่ง พอเรามานั่งหลับตาให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือให้อยู่กับพุทธโธมันก็จะไม่ไปไหนพอมันอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเ น, นื่องมันก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้จะรวมเป็นหนึ่ ง, เ ป, เ, งเป็นเอกขัตารมสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาจะไม่มีอะไรในขณะที่จิตรวมลงจะไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่มีอะไรต่างๆให้เรารับรู้ นี่เป็นสมาธิที่ถูกต้องถ้าเป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องก็คือเวลาจิตสงบแล้วรวมแล้วไม่ยอมอยู่เฉยๆยังออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆรู้เรื่องของมนุษย์ของเรื่องของนรกของสวรรค์รู้เรื่องของดวงวิญญาณต่างๆหรืออะไรต่างๆที่มาปรากฏให้รับยูดูอยู่ภายในใจ สมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่จะไม่ส่งเสริมการเจริญปัญญาไม่ควรที่จะไปติดอยู่กับสมาธิแบบนี้ควรดึงใจให้เข้าสู่สมาธิแบบว่างว่งไม่มีอะไรมีแต่สักแต่ว่ารู้ไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรมาให้รับรู้เพราะว่าถ้าไปรับรู้แล้วก็จะเกิดอารมณ์ตามมาจะเกิด ตันหาความอยากตามมาแล้วก็จะทำให้ไม่สามารถ ล, ลดละหรือตัดตันหาความอยากต่างๆด้วยปัญญาได้ดังนั้นต้องเวลาเข้าสมาธินี่ต้องให้เป็นสมาธิที่นิ่งที่ว่างที่สงบไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีอะไรมาปรากฏให้รับรู้ถ้ายังมีอะไรมาปรากฏให้รับรู้ก็ให้ภาวนาต่อไป ให้ดูลมต่อไปโดอให้ดึงให้จิตอยู่กับผู้รู้อยู่กับตัวรู้อย่าไปอยู่กับสิ่งที่ปรากฏให้รู้ให้เห็นแล้วต่อไปสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาก็จะหายไปจะเหลือแต่ความว่างเวลาว่างก็ปล่อยให้จิตอยู่ในความว่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะถอนออกมาเองตอนนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาเจริญปัญญา ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาพิจารณาธรรมต่างๆการพิจารณาธรรมนี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิที่ว่างนี้ก่อนเหมือนกับคนที่นอนหลับยังไม่ใช่เป็นเวลาที่จะออกไปทำงานปล่อยให้คนนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนพอนอนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาเองพอตื่นขึ้นมาก็จะมีกำลังลังชามีความสดชื่นเบิกบานก็พร้อมที่จะไปทางานทาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพถ้าไปปลุกคนที่นอนหลับยังนอนไม่อิ่มยังนอนไม่พอให้ขึ้นมาก็จะขึ้นมาแบบงดจิตแบบไม่มีอารมณ์ที่อยากจะไปทำงานเพราะยังไม่พักผ่อนไม่พอนั่นเองดังนั้นเวลาจิตอยู่ในสมาธิอยู่กับความว่างอยู่กับอุเบกขาก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นไปจนกว่าจิตจะถอนออกมามาคิดปรุงแต่งมารับรู้เรื่องราวต่าง พอจิตเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วเวลานั้นเน่เราต้องดึงเอาความคิดปรุงแต่งให้มาคิดในทางปัญญาให้มาพิจารณาความไม่เที่ยงของของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดามีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นทรัพสมบัติข้าของเงินทองราบยศ ส, สรรเสริญร่างกายของนาหรือของไทยก็ตาม ล้วนเป็นอนิจจังทั้งนั้นคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายมีแก่มีเจ็บมีตายตามมาให้พิจารณาเพื่อจะได้ปล่อยวางไม่ไปยึดติดไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นถ้าเราไม่พิจารณาพออะไรเป็นของเราเราก็จะเกิดความอยากให้อยู่กับเราเป็นนานๆไม่ให้เสื่อมจากเราไปไม่ให้เปลี่ยนไป อเราเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันไม่เป็นไปดังตามความอยากเราก็จะเกิดความเจ้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียบุคคลที่เรารักไปแต่ถ้าเรามันพิจารณาอยู่เนืองๆอยู่เรื่ อ, ๆอยอๆสอนใจเราอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันหมดไปหากมีภรรยาจะต้องจากกันไปบิดามารดา กับบุตรทิดาจะต้องมีวันพัดภาคจากกันไปร่างกายนี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปในที่สุดถ้าสอนใจอยู่เรื่อยใจก็จะไม่หลงไม่ลืมพอไม่หลงไม่ลืมก็จะไม่มีความอยากที่จะไม่ให้มันเปลี่ยนไปไม่มีความอยากที่จะให้มันไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะพร้อมที่จะรับความจริงที่จะเกิดขึ้น ด้วยใจที่สงบด้วยใจที่เป็นอุเบกขาด้วยใจที่มีความสุขเถ้าใจสงบมีอุเบกขามีความสุขแล้วจะไม่หวั่นไหวกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะจะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับเราไม่วุ่นวายไปกับการเสื่อมของดินฟ้าอากาศเวลาความร้อนหมดไปเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเวลาความหนาวหมดไปเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ เวลาฝนหยุดตกเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเวลาภาทิศตกเราก็ไม่ร้องห่มร้องไห้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเรื่องที่เราห้ามไม่ได้เราสั่งไม่ได้เราเลยไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นพอเราไม่มีความอยากมันก็จะไม่มีความทุกข์ใจความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองที่ไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ เช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากจะให้เราอยู่ไปตลอดอยากจะให้เราร่ำรวยไปตลอดอยากจะให้ภรรยาสามีบุตรธิดาอยู่กับเราไปตลอดอันนี้เป็นความความหลงไม่เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงแล้วจะไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจเพราะจะเห็นโทษของความอยากเวลาเกิดความอยากเหล่านี้แล้วใจจะกะวลกวายกระสับกระสาย วิตกกังวลหวาดกลัวไปกับเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะเฉยอะไรจะเกิดก็ไม่เดือดร้อนอะไรใครจะเป็นใครจะตายใครจะมาใครจะไปก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือการพิจารณาการเจริญปัญญาให้พิจารณาความเสื่อมให้พิจารณาให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเราไปควบคุมบังคับไม่ได้เสมอไปสั่งเขาไม่ได้เสมอไปร่างกายนี้เราสั่งได้บางเวลาเช่นตอนนี้เราสั่งให้ไปไหนมาไหนได้แต่บางเวลาก็สั่งไม่ได้เวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาบอกเขาไม่ไปแล้วเขาจะข อ, อนอนบนเตียงเราจะไปบังคับเขาเขาก็ไม่ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทาความเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะไป อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปแล้วเวลาเราอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เราไม่สามารถได้ในสิ่งที่เราอยากได้ใครคิดอย่างนี้เรียกว่าการเจริญปัญญาคือให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เองกับสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตใจมาสัมผัสรับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไป เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วข่าวเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะอยู่กับปัจจัยไปตลอดในที่สุดใจก็ต้องจากโลกนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรู้มาครอบครองเป็นเจ้าของก็จะหมดสภาพไปเวลาที่จากกันไปถ้ารู้ทังไม่มีความอยากก็จะจากอย่างสงบจากอย่างสบายไม่วุ่นวายใจถ้าหลงก็จะวุ่นวายใจเพราะจะไม่อยากจากกัน พอจะต้องจากกันก็ร้องหม่มร้องไห้โวยวายบางคนถึงกับเสียสติไปเพอ้อเจอข้างเป็นเป็นบ้าไปก็มีเพราะไม่อยอมสูญเสียไม่อยากจะสูญเสียสิ่งต่างๆไปนั่นเองนี่คือการเจริญปัญญาที่เป็นทำขั้นสูงสุดที่จะทำให้ใจดุจพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้สมาธินี้เป็นเพียงดับความทุกข์ได้ชั่วคราวเป็นเหมือน หินทับหญ้าเวลาหินเอาหินไปทับกับหญ้าหญ้าก็ไม่สามารถที่จะงอกจเจริญขึ้นมาได้แต่เวลาเอาหินออกเดี๋ยวพอได้น้ำค้างได้ได้น้ำฝนหญ้า ก, ก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้หญ้านี้ก็คือความอยากหรือความทุกข์นี่เองความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้จะสงบตัวลงเวลาที่จิตสงบอยู่ในสมาธิแต่เวลาจิตออกมาจากสมาธิแล้ว มาเริ่มคิดปรุงแต่งก็จะคิดไปในทางความอยากเพราะคิดไปในทางความอยากก็จะเกิดความทุกข์ตามมาถ้าอยากจะทำลายความอยากอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นเพราะนปัญญาจะสอนใจให้ไม่ให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นอนัปปา <c oughs> แล้วต่อไปใจก็จะไม่อยากได้อะไร ก็รู้ว่าการอยากนี้เป็นการเอามีดมาทิ่มทางหัวใจดีๆนี่เองนี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาที่เป็นบุญขั้นสูงสุดที่จะทำให้ได้บรรลุพระอริยะมรรคผลขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปถึงขั้นพระอาหารหันต์ขั้นพระพุทธเจ้าจะต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจ ะ, จะเจริญขึ้นไปได้ ถ้าใช้สมาธิปีอย่างเดียวก็จะได้แค่ขั้นสวรรค์ชั้นผมเท่านั้นถ้าใช้ศีลกับทานก็จะได้ขั้นเทวดาเท่านั้นแต่ก็ยังดีกว่าที่ไปไม่ไ ม, ไม่ทำบุญทำทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาเลยเพราะจะต้องไปเกิดในอบายนั่นเองดังนั้นในนี้วันนี้เป็นวันสิ้นปีขอให้พวกเราจงม า, าทบทวนดูว่าปีนี้ ที่ผ่านมานี้เราได้ทำบุญกับได้ทำบาปนี้อย่างไหนจะมากกว่ากันขอให้เราพยายามทำบุญให้มากเพื่ออนาคตที่จะดีที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เปลี่ยงเท่านี้ขออนุมูมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ oh ุปกาปติอิช ah ิตังปะิตังตุมห um ังคิดเเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัญระโสยะถามานิโชติ ระโสยทาสพิติโยวิวาชันตุสัพโรโววินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทันาสิตษานิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมาวะทานติอายุวันโสุขัง พาล า, า, า, าอ่าต่อไปนี้ใครอยากจะถามปัญหาธรรมะก็เชิญถามได้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะมีทางเฟซบุ๊กถามมาก็เราตามหรือะจะถามอะไรถามมา อ่าถ้าในกรณีที่บางคนเขายังไม่มีรายได้นะคะ่ะคือเรื่องอาศัยอยู่ทางบ้านหนู่แล้วเขาอยากจะทําบุญแต่ว่าคือทางบ้านเขาจะตำห น, นิว่าเวลาเราทำบุญเราทำบุญมากเกินไปทางที่นี้ก็อยู่ในวงเงินของเราอะคะ่ะเราไม่ไดขอเขาเองทีนี้คเราไ ป, ก, าาไปก็เราจะไปให้ข้อรู้ก็าหมดเรื่องนะยากหนังไหมเาให้เราแล้วเป็นของน้องแล้วเราจะไปทําเราไปซื้อยาเสพติดแเราบอกเขาว่าป่ะ ทำไมเราไปทาบุญต้องไปบอกเขาด้วยมันเรื่องของเราอะถ้ารู้ว่าทําแล้วเขาไม่พอใจก็อย่าไปบอกเขาก็แล้วกันใช่ไหมเวลาคุณไปเอาเงินไปเที่ยวเขารู้เขาไม่พอใจคุณไปบอกเขารู้ปะ่ะแม่ให้เงินไปโรงเรียนแล้วเอาเงินไปเที่ยวแทนนี่ไปบอกแม่ป่ะว่าหนูวันนี้เอาเงินที่แม่ให้ไปเที่ยวแล้วทำไมต้องไปบอกเาา้าวันนี้เอาเงินไปทาบุญเมื่อรู้ว่าเขาไม่ชอบไม่อยากจะฟังเราก็อย่าไปพูดทนั้นเอง ด้านจังหวะเวลาเขาเรากลับมาเขาก็จว่าเราไปไหนนะคะเอาไปไหนไปทาบุญหรอเขาไปใดทราบก็เรื่องของเขาว่าถ้าเขาไม่อยากให้เราก็จบเท่นั้นเองถ้าไม่อยากให้ทําบุญเขาก็ไม่ต้องให้เราไม่มีทํำเราก็ไม่ต้องทําการทําบุญนี้มีสําหรับคนที่มีเท่านั้นเองถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทําอย่างคนมาบวชแล้วเขาไม่ทําบุญกันแล้วเขาภาวนากันแล้วเขาแปลงจากนักบวชเป็นนักบุญเป็นนักบวชแล้วะ ถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ไม่ต้องอยุ่งกับเรื่องการทําบุญแล้วให้รักษาศีลกับภาวนาไปเท่านั้นเองจนกว่าจะมีมีเงินมาก็ค่อยเป็นนักบุญใหม่อย่างห้องตาตอนท่านบวชใหม่ๆท่านก็ไม่ดำท่านไม่ได้ทําบุญเพราะไม่มีเงินจะทําท่านก็ตามแต่ศีลกับสมาธิปัญญาไปอพอท่านสําเร็จบรรลุแล้วมีศรัทธาคนถวายเงินถวายทองมาท่านก็เอาไปทําบุญต่อ ป si ่า <í>. ถ่าน <No. Okay. S 1> ั้นเองการทำบุญก็คือให้เราลดจำนวนเงินที่เรามีอยู่ที่มากเกินไปให้มันหมดไปจะได้ไม่มาเป็นสะพานเชื่อมกิเลสตัณหาเข้าใจหรือเปล่าเวลามีเงินแล้วเดี๋ยวกระเป๋ามันร้อนเห็นอะไรเดี๋ยวมันตาลุกวาวขึ้นมาเห็นมือถือเห็นรถคันใหม่รุ่นใหม่เห็นอะไรใหม่มันอยากจะได้ไปหมดแต่เวลาไม่เกิดตัณหาพอไม่มีเงินมันก็อยากไปก็ไม่ไร้ประโยชน์ อย่า ก, ก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีมาได้ไหมนี่คือความหมายของการทําบุญเพื่อตัดปัญหาไม่ได้ใช้เป็นหลักไม่ต้องการให้มีเงินทองไว้เป็นเป็นเป็นช่องทางของกิเลสปัญหาพูดง่ายๆถ้ามีเงินแล้วมันก็มีช่องทางแต่พ่อแม่ไม่อยากจะให้ลูกไปทําอะไรเสียหายก็อย่าให้เงินมากเกินไปพอให้เงินมากเกินไปเดี๋ยวมันก็ไปเที่ยวไปซื้อยาเสพติดมาเสกกัน แม่ก็ให้มันเท่าที่จําเป็นด้วยให้มันซื้อข้าวกินไปโรงเรียนก็มีเงินซื้อข้าวกินมีจ่ายค่ารถก็พ อ, เ, อเงินอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปให้ถ้าเรารู้ว่าเขาเอาไปทําในสิ่งที่มันเป็นโทษกับเรานี่คือเรื่องของเงินเงินนี้เป็นเหมือนดาบสองคมถ้าไม่รู้จักใช้ก็เอามาทิ่มแทงตัวเองได้ถ้ารู้จักใช้ก็เอามาทําประโยชน์ได้ ในเวลาให้เงินเด็กเขาจึงไม่ให้เงินมากเพราะเขาเห็นว่าเด็กยังไม่มีความฉลาดพอที่จะรู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับตนเองเพราะจะเอาไปใช้ที่เป็นโทษกับตนเองเสียมากกว่าไปซื้อของเล่นไปซื้อขนมกินอย่างนี้แทนที่จะเป็นซื้อหนังสือมาอ่านทําอะไรที่ให้เป็นประโยชน์กับตนกับไม่ทําะฉะั้นถ้าเรา ยังเป็นผู้ที่รับเงินจากคนอื่นก็อยู่ถ้าเขาให้เงินเราถ้าเป็นสิทธิ์ของเราจะไปใช้อะไรมันก็เป็นเรื่องของเราแต่ถ้าเขาสั่งว่าห้ามมาไปทําบุญแล้วก็เอาไปทําบุญไม่ได้เพราะเป็นเงินของเขาแต่ถ้าเขาให้เราแล้วแล้วแต่เราจะเอาไปใช้สอยอย่างไรนี้เราก็เอาไปใช้สอยได้ถ้าเราไม่มีทําเงินทําบุญก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ดีเราจะได้ไม่เอาไปทำสิ่งที่เกิดความเสียหายกับเราเอาไปเที่ยวเอาไปที่เอาไปซื้อของเล่นซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่มีเงินปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มีตามมาเราก็จะได้มีเวลาดูหนังสือเรียนหนังสือถ้าปฏิบัติก็มีเวลาได้ปฏิบัติ <c oughs> ฉันจึงบอกว่าอย่าไปหาเงินเพื่อมาเอามาทําบุญอันนี้เป็นการเดินหน้าสองก้าวแล้วกลับมาถอดเดินถอยหลังสองก้าวมันไปมันไม่ไปไหนเข้าใจไหมตาไม่มีเงินแล้วก็ขึ้นไปรักษาศีลเลยก้าวไปยาวๆข้างหน้าต่อเลยเมื่อเราไม่มีเงินข้อปัญหาก็คืออยากอยากได้เงินเท่านั้นเองถ้าไม่มีเงินแล้วยังอยากได้เงินมันก็จะไม่ก้าวหน้าเพราะมันจะต้องเดินถอยหลังกลับไปหาเงินหาทอง แต่ถ้าไม่มีเงินแล้วก็ไม่ไม่อยากหาเงินก็สบายก็รักษาสินได้คนที่ไม่อยากมีเงินนี่รักษาสินได้ง่ายคนที่รักษาสินไม่ได้เพราะอยากได้เงินเข้าใจไหมพออยากได้เงินแล้วมันก็ต้องโกหกบ้างต้องโกงบ้างมันถึงจะได้แต่ถ้าไม่อยากได้เงินแล้วก็สบายร <c oughs> ักษาสินได้สบายเลยไม่ต้องโกหกไม่ต้องโกงการทำ ทานการเสียสละนี่ก็คือให้เราเสียสละในสิ่งที่เรามีมากเกินไปอย่าให้มันเป็นสะพานเป็นช่องทางของกิเลสตัณหาเข้าใจไหมมีใครอยากจะถามไหมไม่มีถามมาทางเฟ e บ o ๊ก ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊พระอาจารย์สุชาติวิชาโตนะครับคำถามแรกจากคุณผืนฟ้าสายลมนะครับระหว่างภาวนาดูลมควรปล่อยจิตให้สบายสบายหรือจดจ่อในลมหายใจปกติจะปล่อยให้สบายสบายแต่มักจะหลับไปก่อนสบายเกินไปมันก็หลับตึงเกินไปมันเครียดต้องยึดทางสายกลาง คือต้องไม่หย่อนไม่ไม่ตึงคือให้มีสติดูลมไปเรื่อยๆอย่าไปบงังรู้สึกต้องเครียดกับการดูลมคือบางคนคิดว่าจะต้องดูลมให้มันชัดเจนทุกขั้นทุกตอน<ม>อเผลอไม่ได้เลยมันก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาได้ก็ดูไปเท่าที่เราจะดูได้เหมือนเราดู TV, ทีวีทําไมเรานั่งดูทีวีได้ เมนต้องมาถามปัญหาเหล่านี้เลยเวลาดูลมต้องมาถามปัญหาเหล่านี้ทําไมมันก็แบบเดียวกันเลยพอดูสิ่งที่ชอบมันก็เพลินมันไม่ไม่ง่วงไม่เงาะไม่ง่วงไม่ไม่หลับพอดูในสิ่งที่ไม่ชอบมันก็ง่วงง่ายๆมีใครอยากจะดูลมบ้างระหว่งดูลมก็ดูลงแล้วไงดีกว่าดูหนังดีกว่าดูลม ข้อที่สองนะครับทามาสังเวทกับนิพพทาเป็นอันเดียวกับเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าก่อนที่จะรู้ธรรมจำเป็นต้องผ่านนิพพทาก่อนไหมเออไปเปิดในอินเทอร์เน็ตดูวหมอยู่กับอินเทอร์เน็ตท่ามาถามเราทาไมเ <c oughs> สด็จเข้าไปซิมันมีคำตอบอยู่หมดแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณต่อยินดีนะครับ มุตโตมุตโตไทยมีความหมายว่าอย่างไรและจากหนังสือของประวัติพระอาจารย์มั่นที่บอกว่าคําว่ามุตโตไทยมีความหมายเป็นอาสาธารณะในก็จริงแต่อาจเป็นความหมายเป็นสาธารณะในก็ได้หมายความว่าอย่างไรเหรอคะ คุณเข้าไปถามคนที่เขาเขียนหน่อยเแล้วกันว่าข้อหมายเข้ามายไงมถามเราทำไมเราไม่เลยเป็นคนเขียนนะคถามข้อต่อไปจากคุณจงรักนะครับเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นสมมุติแต่ทำไมเราวางสมมุติไม่ได้ก็รู้แบบสัญญาเงจําได้แต่พอถึงเวลาเจอเจอของจริงก็ไม่สมมุติละเห็นกระเห็นแบงก์ก็ไม่เป็นกระดาษละ ไม่เป็นธาตุแล้วเป็นแบงขึ้นมาทันทีเขืมนย์านนะ <c oughs> คาถามข้อต่อไปจากนายทําบุญนะครับอารมณ์โทสะที่เกิดขึ้นแล้วแต่หากนำตัวอารมณ์โทสะนั้นๆเรื่องเดิมกลับมานึกถึงอีกหลายๆครั้งแต่ใช้ปัญญาพิจารณา ให้เห็นจริงเห็นสภาพจิตทุกครั้งถือว่าถูกต้องไหมถ้าใช้ปัญญาแล้วดับอารมณ์นั้นได้ก็ถูกต้องแต่ทางที่ดีต้องให้มันใช้ในขณะที่เกิดเหตุการณ์จริงเลยจะดีกว่าพอใครก็ดา่าเราปั๊บก็ยิ้มได้เลยขอบใจไม่ใช่มานั่งคิดอยู่สองวันถึงจะหายโกรธนีออ้อย่างนี้แสดงว่ายังไม่ทันการถ้าจะให้ทันการต้องฆ่ากิเลสในขณะที่มันเกิดขึ้นมาเลย หรือถ้าแน่จริงต้องไม่ให้มันเกิดเลยคนที่เขาแน่จริงเขาไม่ให้มันเกิดเลยวิธีจะทำไม่ให้มันเกิดก็ง่ายนิดเดียวอย่าไปอยากเท่านั้นเองเพราะความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความโกรธอยากให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเขาไม่ทำให้เราก็โกรธใช่ไหแต่ถ้าเราไม่ไปอยากก็ทำซะอย่างเราจะไปโกรธเขาทาไมถ้าอยากจะทำลายความโกรธ อย่างถาวรอย่างที่ไม่มีวันเกิดขึ้นมาเลยก็อย่าไปอยากได้อะไรอยากไปอยากมีอะไรอย่าอยากไปอยากเป็นอะไรแล้วรับรองได้ว่าจะไม่โกรธอะไรไม่โกรธใครข้อต่อไปนะครับพระพุทธเจ้าให้อยู่กับปัจจุบันแต่หากเรานำเรื่องต่างๆทุกสภาวะอารมณ์ในอดีตนำกลับมาพิจารณาสมควรหรือไม่คือการให้อยู่ปัจจุบันนี้หมายความว่าให้ใจนิ่งไม่ให้ปรุงแต่ง เมื่อเราสามารถควบคุมใจไม่ให้ปรุงแต่งได้แล้วเทนี้เราก็สามารถสั่งให้ใจคิดปรุงแต่งในเรื่องไหนก็ได้เพราะเราเหมือนกับคนขับรถนี้ถ้าเรายังขับรถไม่เป็นเราจะให้รถอยู่ในถนน <c oughs> ไม่ได้บางทีมันก็จะแหกโคง้งบางทีมันก็จะฝ่าไฟแดงแต่ถ้าเรารู้จักควบคุมรถแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะบังคับให้มันอยู่นถนนให้มันวิ่งไปไหนมาไหนได้ การที่เราฝึกทําใจให้เป็นปัจจุบันนี้เพื่อให้เราหยุดความคิดปรุงแต่งแต่พอเรามีเหตุกาณ์จำเป็นที่จะต้องคิดเราก็คิดได้แต่คิดเสร็จแล้วเราก็หยุดได้ไม่ใช่คิดแบบรถวิ่งลงเขาไม่มีวันหยุดก็ไงไหมส่วนใหญ่เราจะคิดแบบพวกรถวิ่งลงเขากันพอคิดแล้วโอต่อไปยาวเลยให้คิดคิดได้แต่รู้จักคิดแล้วก็รู้จักหยุดมันเท่านั้นเอง ให้กลับมาอยู่ปัจจุบันต่อแต่เมื่อมีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องอดีตก็คิดได้คิดถึงเรื่องอนาคตก็คิดได้อันนี้ไม่ได้ห้ามแต่ที่ให้ฝึกให้อยู่ปัจจุบันนี้ก็ให้รู้จักหยุดความคิดกันถ้าขับรถก็ให้หาเบรกให้เจอหาเกียร์ว่างให้เจอเข้าใจไหมงั้นเดี๋ยวเรวาจะจอดจอดไม่ได้มันจะวิ่งไปทั้งวันขับรถถึงบ้านแล้วก็เลยโดยเล ย, เล ย, เลยไม่อยอมจอดที่บ้านนี่ งั้นให้เราหัดรู้จักหยุดใจคำว่าหยุดใจก็ให้มันอยู่ในปัจจุบันนี้เองพอเราหยุดใจได้แล้วทีนี้เราก็เหมือนขับรถหยุดรถได้แล้วทีนี้เราจะไปก็เหยียบคันเร่งให้มันไปเวลาต้องการให้มันหยุดเราก็เหยียบเบรกฮตอนปัญหาของเราตอนนี้คือเราไม่มีเบรกกันใจของเราไม่มีเบรกกันคิดกันตะลุยไปตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าทุกข์ก็ทุกข์มาทั้งวันทั้งคืนเลยอันนี้แหละ ที่ทําให้เราต้องมาฝึกทําใจให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มันหยุดความคิดปรุงแต่งให้มันสักแต่ว่ารู้เฉยๆฉ่นดูร่างกายเฝ้าดูมันเฉยๆไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ร่างกายกําลังนั่งก็รู้ว่ามันนั่งกําลังเดินก็รู้ว่ามันเดินะกําลังทําอะไรก็ดูมันไปเท่านั้นเองมันก็จะเป็นปัจจุบันขึ้นมาพอเป็นปัจจุบันแล้วเราหยุดความคิดได้แล้วทีนี้เราต้องคิดเรื่องอะไรเราก็คิดได้ เช่นเราจะออกทางปาัญญาเราก็ต้องคิดทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตเช่นพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงเราจะมองไงว่ามันไม่เที่ยงก็ต้องดูตอนที่มันออกมาจากท้องแม่เป็นอย่างไรตอนนี้มันเป็นอย่างไรต่อไปเวลามันไปอยู่ในเมนมันเป็นอย่างไรก <c oughs> ็ดูมันอย่างนี้มันึงจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันก็จะได้เห็นอนิจจังมันจะได้ตรงได้ มันจะได้ไม่คิดว่าร่างกายนี้จะเป็นอย่างนี้ไปทุกวันมันค่อยๆเปลี่ยนไปทุกเวลานาทีมันก็ยขยับไปนิดเหมือนกับตัวตัวหนอนตัวไส้เดือนเนี่มันขยับไปทีละนิดเทียนนิดความแก่ของเราก็ค่อยๆแก่ลงไปเทียนนิดเทียนนิดแต่เรามองไม่เห็นความแตกต่างกันเราต้องถ่ายรูปทิ้งไว้แล้วกลับไปดูรูปที่ถ่ายเมื่อสิบปีกับวันนี้ดูที่ว่าหน้าตาเหมือนกันหรือเปล่ามันไม่เหมือนคนละคนไปเลยอ่ะ นี่แหละคือความไม่เที่ยงอา น, นิจังเวลาเจริญปัญญามันต้องคิดทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตมันถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอา น, นิจังก็คือการเปลี่ยนแปลงการไม่อยู่นิ่งเฉยเฉยคงเส้นคงวาให้เราพิจารณาทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเสื้อที่เราซื้อมาจากร้านวันนี้มันเป็นยังไงแล้วเสื้อที่ใส่มาแล้วสิบปีเป็นยังไงมันเป็นคนเราเป็นคนละอย่างกันไปเลย ให้เรามองอย่างนี้ต่อไปเราจะได้ไม่หลงไม่ไปยึดติดกับของสวยของงามของใหม่เพราะมันใหม่ได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเก่าข้อต่อไปนะครับเชา้านี้ระหว่างขับรถเกิดสภาวะทำคือเมื่อมีคนมาขับรถแซกเราระหว่างรอเลี้ยวทันทีที่เห็นความคิดที่เกิดคือ เขาอาจจะเป็นคนที่ขับรถแบบนี้เป็นนิสัยนิสัยของเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ใจบุญก็ได้ <c oughs> เราอย่าใช้สิ่งที่เห็นตัดสินว่าคนโน้นเลว <c oughs> คนนี้ชั่วและเมื่อพิจารณาตามนี้อารมณ์จะตัดเข้าสู่อุเบกขาทันทีแถมเมตตาจิตต่อเขาเสียด้วยซ้ำ ถ, ถ, ถูกต้องแล้วต้องมองอย่างนี้มองว่าเขามีเหตุมีผลของเขาภรรยาเขากาลังจะคลอดลูกเ <c oughs> ขาต้องรีบไปก่อ น, นเขาไปเนะี่ย หรือว่าเขาจะหนีตำรวจก็ปล่อยเขาหนีไปเราอย่าไปโกรธเขาเราอย่าไปมีอารมณ์คิดแบบไหนก็ได้ขอให้เราคิดแล้วใจเราเป็นอุเบกขาก็แล้วกันข้อต่อไปนะครับตัดอารมณ์ความอยากที่จะมีที่จะเป็นไม่ได้คือในสังคมปัจจุบันเมื่อเราผ่านไปตรงไหนก็เห็นสิ่งไม่ถูกต้องผิดศีลผิดวินยัย ใจของเราจะคิดทันทีว่าถ้าเราได้เป็นได้มีอำนาจเราจะจัดการสังคมอย่างนั้นอย่างนี้วางกฎแบบนั้นแบบนี้รณรงค์ให้ผู้คนถือศีลทําความดีแม้จะคิดดีแต่ก็เป็นความอยากที่อยากมีอยากเป็นอยู่ดีแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เรามองไม่เห็น น, าานั้นาต่างว่าใจของคนนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ และเหตุการ์ต่างๆสิ่งของต่างๆในโลกนี้ก็ไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราทำได้ก็เพียงแต่แนะนำทางบอกคุณบอกโทษให้เขานับรู้ถ้าเขามีปัญญาเขาก็จะทำให้ทำในสิ่งที่ดีได้ทำในสิ่งที่ไม่เป็นโทษได้ แต่การที่เราจะไปควบคุมบังคับเราก็กลายเป็นเราก็กลายเป็นคนไม่ดีไปคนทุกคนก็จะเกียดเราหมดว่าเราไปควบไปสั่งเขาเป็นเป็นพด็จการอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไปให้โลกนี้เป็นไปตามทฤษฎีคือว่าทุกสั่งดีไปหมดให้ทุกคนเข้าไปนิพพานกันหมดถ้าสั่งได้พระพุทธเจ้าก็ใครจะมาสู้พระพุทธเจา้าได้ความสามารถ เขาเจ้าก็จะจับพวกเราเข้าไปนิพพานกันหมดแล้วไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดให้เหนื่อยยากแต่มันทําไม่ได้เป็นเรื่องของอันอจินตายหรือว่าเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของบุญของบาปของแต่ละคนที่จะต้องเป็นผู้จัดการกับชีวิตของตนเองเท่านั้นเองด้วยการมีความรู้ที่ถูกต้องพาไป พระพุทธเจ้าก็ทำได้ท่านั้นคือให้สัมมาทิฏฐิให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตที่จะนำพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงแต่พระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะบังคับเราหรือลากเราไปได้เราจะต้องเป็นผู้บังคับตัวเราเองลากตัวเราเองไปท่านั้น <c oughs> คำถามข้อต่อไปจากผู้ปฏิบัติในที่นี้นะครับ จากคุณทิพย์นะครับหนูนั่งสมาธิสักพักเห็นดวงกลงใหญ่ที่หว่างคิ้วแล้วอยู่ๆขนลุกขนพองทั้งตัวแก้ไขอย่างไรดีไม่ต้องแก้อะไรหรอกก็กลับมาภาวนาต่อเท่านั้นเองอย่าไปสนใจเพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการให้รู้ว่าเป็นผลพลอยได้เหมือนกับเราขับรถที่จะกลับบ้าน ไปกลางทางไปเจอมะฮรสศพมีลิเกมีลําวงเราก็อยากกระโดดลงจากรถไปถ้าเราลงไปเราก็จะไม่เดินทางไปไม่ถึงบ้านถ้าเราอยากจะกลับบ้านเราก็ขับรถต่อไปการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ก็เป็นเหมือนกับการขับรถกลับบ้านบ้านของเราก็คือความสงบสมาธิที่ไม่มีอะไรปรากฏให้รับรู้แต่ในระหว่างทางนี่มันก็อาจจะมีอะไรให้เรารับรู้ได้เราก็อยากไปสนใจ แล้วก็ขับรถของเราภาวนาพุโทโธของเราต่อไปจนกว่ามันจะไปถึงจุดที่ว่างที่สงบแ้วนิ่งไม่ต้องภาวนาไม่ต้องขับรถคือว่าขับรถถึงบ้านแล้วเราก็จอดรถเราก็เข้าบ้านได้ไม่มีจุดหมายไปทางที่ไหนจะดีกว่าบ้านของเราแต่ไปเที่ยวที่ไหนไกลแสนไกลก็ยังต้องกลับมานอนที่บ้านอยู่ดีใช่ไหมเน้น <c oughs> บ้านของเราบ้านของใจก็คือสมาธิ ต่อให้ใจได้ไปเที่ยวไปสวรรค์ชั้นนั้นสวรรค์ชั้นนี้ก็สู้ไปอยู่ที่ความสงบไม่ได้เพราะความสงบนี้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดเป็นที่ให้ความสุขกับเราได้มากที่สุดนั่นเองไปที่อื่นนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นที่ชั่วคราวมันมาแล้วก็ไปมันเกิดแล้วก็ดับมีความมีสิ่งเดียวที่มีที่มีแล้วมันจะไม่ดับถ้าเรารู้จักรักษามันได้ก็คือความสงบนี้เอง ถ้าเรารู้รักจากรักษาความสงบแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแต่สวรรค์ชั้นต่างๆนี้มันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปหมดไปดังนั้นเราอย่าไปยินดีอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้เรารับรู้ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นนั้นหรือสวรรค์ชั้นนี้ก็ให้รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวอย่าไปสนใจ ขอให้เราภาวนาต่อไปดึงใจให้เข้าสู่ผู้รู้ตัวรู้ให้นิ่งเฉยเฉยไม่ให้คิดปุ่งแต่งให้ได้แล้วเราจะถึงจุดที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเป็นจุดที่ถาวรที่แท้จริงมีคำถามหนึ่งครับอาจารย์คือได้รู้จักภิสูรรูปหนึ่งนะครับท่านทำงานาเผยแผ่พุทธศาสนาแนวกิจกรรมนะครับหรือสถานีวิทยุธรรมะเนี่ยครับ แล้วมีวันหนึ่งท่านได้บอกเราว่าให้เราเนี่ยรักษาตัวเองให้ดีนะเพราะว่าท่านก็ได้บอกว่าเพราะว่าเป็นคนธรรมะเนี่ยต้องดูดีไว้ก่อนอย่างนี้ถือว่าถูกต้องไหมครับอาจารย์ไม่เข้าใจความหมายว่าต้องดูดีเป็นไง่ให้ดูแลสุขภาพเหมือนกับว่าให้ดูผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยครับแนวนั้นนะครับอาจารย์ก็ ก็อยู่แบบปกติไงก็คือแบบว่าดูแลรักษาร่างกายให้มันอยู่ไม่มีโรคภัยใค่เจ็บแล้วก็ให้มันสะอาดถูกสุขลักษณะไม่ใช่อยู่แบบไม่อาบน้ำอาบท่าไม่แปรงฟันจีวงจีวอนหรือเสื้อผ้าก็ไม่ซักใสยมันแต่ชุดนั่นไปไอ้อย่างนี้มันก็เป็นการปล่อยปะกละเลยหน้าที่ของการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุข แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องดูดีแบบต้องไปซื้อเสื้อดีไซเนอร์มาใส่ซื้อกระเป๋ากุชชี่มาถือเอซื้อน้ําหอมคริสเตียนดิออมาทาอันนี้มันเกินโดยเถิดไปก็เพียงแต่อาบน้ําหับท่าให้มันไม่มีกลิ่นเหม็นก็พอแล้วหวีผ้าหวีผมอไม่ต้องไม่ต้องทาปากไม่ต้องทาคิว้วไม่ต้องปาแป้งอะไรอย่างนี้ไม่จําเป็น ว่าความสวยงามของคนเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ศีลและธรรมคนมีศีลและธรรมนี้จะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีคนที่สวยงามด้วยเสื้อผ้าอภรรด้วยเครื่องสมอางแต่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนี้จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเังนเราอยากไปหลงหลงประเด็นให้รู้ว่าความสวยงามการมีศักดิ์มีศีมีเกียรตินี้อยู่ที่ศีลและธรรม ไม่ได้อยู่ที่เครื่องประดับต่างๆที่เราเอามาประดับกับร่างกายของเราร่างกายของเราเพียงแต่รักษาบัไม่ให้มันสกรปรกก็พอแล้วใช้ได้แล้วเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่ในในคำถามเหมือนกับว่าพิสูรรูปนี้ครับคือเหมือนกับท่านจะดูแลร่างกายเป็นพิเศษเหมือนให้ให้ให้ดู <c oughs> เป็นปัง <c oughs> หน่ะเพื่อให้ญาติโยมเนี่ยเห็นแล้วดูเกิดสรัทธาเงนี้ครับอาจารย์ มันไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาหรอกมันอยู่ที่จิตใจอยู่ที่คำสอนอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าคำสอนจะดีจะจริงแต่ถ้าไม่ตัวเองไม่ปฏิบัติตามคำสอนมันก็ดูไม่ได้อยู่ดีพระพุตรเจ้าเคยตัดไว้ว่าสิ่งใดที่เราสอนสิ่งนั้นเราปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นเราไม่เอาสิ่งที่เราไม่ได้ปฏิบัติมาสั่งสอนใครทั้งนั้นสอนให้ทา ดีเราก็ทํามาแล้วสอนให้ละบาปเราก็ละมาแล้วสอนให้ภาวนาเราก็ภาวนามาแล้วนี่แหละคือจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนอยู่ที่การกระทาของตนไม่ใช่อยู่ที่วาจาคำพูดหรือไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรชนิดต่างๆแต่อยู่ที่การกระทาทางกายทางวาจาและทางใจถ้า ถ้ากระทำในสิ่งที่ดีแล้วถึงแม้ว่าจะใส่เสื้อผ้าแบบขาดขาดก็ไม่มีใครรังเกียจเสื้อผ้าของพระสมัยพระพุทธกาลนี้เป็นเสื้อผ้าผ้าที่ทำมาจากผ้าขี้ริว้วผ้าที่ก็ทิ้งแล้วตามสถานที่ต่างๆจิ้ น, นผืนน้อยผืนน้อยท่านเอามาเก็บผสมไว้สะสมไว้พอได้จำนวนพอก็เอามาเอามาเย็บตัดมาเย็บต่อกันให้มันเป็นผืนใหญ่แล้วก็ามา ซักด้วยน้ําฝาดย้อมด้วยน้ําฝาดคือต้มเอาต้มน้ําแล้วเอาแก่นไม้เข้าไปแล้วก็เไม้น้ําที่ที่ได้จากน้ําแก่นไม้นี่มาย้อมผ้าที่ซักผ้าไปในตัวสมัยนั้นเขาทําสมัยนี้วัดป่าก็ทําอย่างนี้เวลาซักผ้านี้จะใช้แก่นขนุนเอาแก่นขนุนมาต้มแล้วมันจะออกสีน้ำเหลืองแล้วก็เอาผ้าใส่กาละมังแล้วก็ตักน้ําที่ต้มที่เดือดเนี่ยเทเข้าไปใน กาลมังแล้วก็ขย้ำขย้า ม, มันเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่ต้องใช้แฟบไม่ต้องใช้อะไรสมัยโบราณก็ไม่มีแฟบไม่มีสบู่เราใช้วิธีซักผ้าแบบนี้กันซักผ้าย้อมผ้าด้วยแก่นขนุนน้ําแก่นขนุนแล้วผ้าก็ถ้าถ้าใช้ผ้าผ้าเก่าได้ก็ถือว่าออ่ถือว่ามักน้อยสันโดษถือว่ามีคุณธรรมสูง ถ้าต้องใช้ผ้าใหม่ผ้ามีคุณภาพมีราคานี่แสดงว่าพวกมักมากไม่ใช่พวกมักน้อยสันโดษพวกจู้จี้จุกจิกนะยะพวกนี้เป็นพวกกิเลสไม่ใช่พวกธรรมถ้าพวกธรรมมันต้องมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดแล้วยินดีของที่เก่าที่สุดที่เลวที่สุดนะแต่ถ้าพวกกิเลสต้องยินดีแต่ของที่ดีที่สุดของที่ใหม่ที่สุดนะ เพราะว่าท่านไม่ได้ดูที่ของใหม่หรือของเก่าท่านดูที่ว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เข้าใจไหมเสื้อผ้ามีไว้ทําไมก็มีเพื่อปกปิดอวัยวะร่างกายของเรานี้เองรักษาป้องกันไม่ให้ถูกภัยจากอากาศหนาวหรือถูกจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยไม่ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผ้าใหม่หรือผ้าเก่าผ้าดีหรือผ้าเลวถ้ามันทําหน้าที่ได้หน้าที่นี้ได้ก็ใช้ได้แล้ว อันนี้แหละคือหลักการใช้ของบริโภคปัจจัยสี่ของพระท่านเน้นที่เหตุผลของการใช้ของเหล่านั้นว่าใช้เพื่ออะไรพระพุทธเจ้าทรงสอนพระว่าก่อนจะบริโภคปัจจัยสี่ให้พิจารณาก่อนเช่นอาหารบินธบานนี้ก็ให้พิจารณาว่าให้เป็นคิดว่าอาหารนี้เป็นเหมือนยามาบำรุงรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้หิวไม่ให้ ทรมานแต่ไม่ได้กินเพื่อความสนุกสนานเฮฮาอย่างคืนนี้พวกเรากินแบบสนุกสนานเฮหากันมีอะไรเยอะแยะไปหมดกินแล้วมันก็ผ่านไปก็จบเหมือนกันกินเพื่อให้อิ่มท้องเพื่อไม่ให้มันหิวกินเพื่ออยู่ไม่ให้อยู่เพื่อกินไม่ให้หาความสุขจากการกินการดื่มให้หาความสุขจากการทําใจให้สงบ นี่ต่งางนี่คือตัวอย่างของการบริโภคปัจจัย4ใช้จีวารก็ให้พิจารณาว่าใช้เพื่อปกปิดเอาไว้ว่าร่างกายปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากอากาศหนาวหรือจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยนี่เป็นการใช้ที่อยู่อาศัยก็แบบเดียวกันใช้เพื่อหลบหลบดดหลบฝนไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระราชวางังไม่ต้องเป็นค้ า, าราชกาหลังละร้อยล้าน50าล้าน ขอให้มันมีที่หลบแดดหลบฝนได้ของพระเราสมัยนี้ก็มีกดอันนึงก็อยู่ได้แล้วกดก็คือก็คืออ่า่มดีๆนี่ร่มที่มีมุ้งครอบอีกทีหนึ่งกันยุงเวลาท่านไปอยู่ในป่าท่านก็แบกกดแบกมุ้งไปแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วไปหาคนไม้ที่ร่มเย็นกลางกดอยู่นั่งสมาธินอนในนั้นได้สบาย นี่แหละคือที่อยู่อาศัยของผู้มรรคน้อยสันโดษเป็นอย่างนี้จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องที่ไร้สาระจะได้มีเวลามาบำเพ็ญกันอย่างเต็มที่มาปฏิบัติกันได้อย่างเต็มที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานภายในชาตินี้ได้เลยถ้ามัวแต่มากังวลกับเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารการกินเรื่องอยู่เรื่องยา ก, ก็ไปไม่ถึงไหนจะเสียเวลากับการ แสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลาไปภาวนาเราพเจ้าถึงสอนให้อยู่แบบมักน้อยสันโดษอยู่แบบเรียบง่ายสมถะไม่ปรุงแต่งไม่ต้องสวยไม่ต้องงามขอให้มันใช้งานได้ก็พอว่ามหมคือสมมติว่าโยม ยมพูดเอาไว้ว่าอาจะสร้างเจดีย์ให้เสร็จอยนี้นเจ้าค่ะแล้วทีนี้มันเหนือนว่าเจดีของหลวงปู่ท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะที่จังหวัดก็จะเสร็จแล้วเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซนต์นประมาณสักสามแสนกว่ากว่าก็น่าจะจะเสร็จนะเจ้าค่ะแล้วตอนที่หลวงปู่ท่านอาภาษอยู่ที่โรงพยาบาลคื อ, อยมคุยโทรศัพท์ ก้าที่ประธานดูแลบอกว่าจะหาหาเงินมาติดยอดเจดีย์ให้เสร็จกับางฆ์แล้วที่นี้ก็คือเหมือนโยมก็ได้อุปนันเข้าหมาฉีกไปแล้วแล้วมันเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเงินที่ที่เข้าบัญชีครับไปคือหลวงปูก่ก็ไม่ได้ออกจากโรงพยาบานี่นคือละท่า น, นท่านท่านละ แล้วทีนี้ครูบาก็เลยบอกว่าให้โยมถอยออกมาอย่างเี้ยเจ้าค่ะถอยถอยยังไงคือไม่ไม่ต้องไปไปยุ่งตรงนนแล้วเหมืนอนว่าเจดียมันยังไม่เสร็จใช่ไหมเจ้าค่ะได้ยังไงนะโยมตั้งใจว่าจะให้เจดีมันเสร็จแต่ว่าก็ได้อุ่นอุ่นเงินทาบัญชีไปแล้วเจ้าค่ะก็เลยอยากจะติดตามว่ามันเหลือสักเท่าไหร่ เพราะว่าคาดการว่าจริงๆเงินมันก็น่าพอหลังสัก ง, งานแพราว่างานถอยไปแล้วว่าสค่ะแล้วทีนี้ที่สรามาคือว่าเจดีไม่มีการพัฒนาหรืออะไรขึ้นเลยนะค่ะแล้วพ้ะก็ก็บอกยุ้งว่าให้ถอยออกมาก่อนเราไ ม, ไม่ต้องไปทาตรงนั้นเราก็ต้องดูว่าเราอยู่ในฐานะใดเรามีอำนาจวาสนาที่จะไปสั่งการ ให้งานมันสําเร็จรุ่เรื่องไปได้หรือเปล่าถ้าเรามีอํานาจวาสนาทาได้เราก็ทําไปถ้าเราไม่มีเราทําไม่ได้เราก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเราเพราะเราได้ทําเต็มที่แล้วเงินทองเราก็สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วแต่คนที่เอาเงินทองนี้เอาไปแล้วไม่เอาไปทํานี้มันก็เป็นบาปของเขาเป็นเรื่องของเขาก็ต้อง ก็ต้องปรงว่ามันทุกอย่างมันก็อันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่าไปทุกข์กับมันเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้เราทำในส่วนของเราได้เราก็ทาไปแล้วเราก็บอยจากไปแล้วเงินที่เราบอยจากนี้ถ้าก็เอาไปทำก็สำเร็จแล้วแต่ถ้าก็ไม่เอาไปทำเราจะทำอย่างไรได้เราให้เขาไปอีกเขาก็ไม่ทำอีก เพราะถ้าเราอยากจะทําก็ไปขออนุญาตเขาว่าขอทําเองได้ไหมออาอ่อออพอดีเงินที่เข้าคือไม่ได้เข้าทางวัดในเจ้าของนั่นแหละท า, าองแต่เงินมันไม่เข้าใครออกใครไงแค่เราคิดเลยแบบติดใจนะว่มันจะบาปหรือเปล่าอพรเราไม่บาปหรอกแต่คนที่เข้าไปนี่มันบาปเรื่องของเขาถ้าเขายากักยอกทรัพย์ของที่ไม่ใช่เป็นของเขาไปใช้เป็นของเขาเขาก็บาปเขาเรียกว่าทินนาไง ใช่ไหมเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้เป็นความบาปของเราไม่พอดีแ่มีเป็ดมุากเจ้าแล้วก็เพื่อนๆอุนน่นเงินเข้ามาก็ไม่เป็นไรไม่บาปเพราะเราไม่ได้เป็นคนไปทำเราทำถูกต้องตามขั้นตอนของเราแล้วเราไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงใครเราได้มาเท่าไหร่เราก็เอาไปถวายวัดหมดแล้วทีนี้ว่าจะไปทำอย่างอื่นนี่มันเป็นเรื่องของวัดแล้ว ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ทาตามเจตนาเราก็ถอยแล้วก็จบไม่เกี่ยวข้องด้วยกับวัดนี้แล้วแสดงว่าไว้ใจไม่ได้ไม่ซื่อตรงคุณจะทําการค้ากับคนซื่อตรงหรือคนไม่ซื่อตรงเห็นไหมทาบุญที่อื่นก็ได้ไม่ต้องไปติดบุญกับวัดนั้นวัดนี้เอทํากับม้าก็ได้บุญเอทํากับม้าจอนจัดก็ได้บุญ บุญคือความสุขใจใช่ไหมตอนนี้เราทุกข์ใจแล้วเราทําไม่ถูกทําบุญไม่ถูกแล้วเราทําด้วยความหลงยึดติดนะยึดติดว่าบุญจะต้องอยู่ที่เจดีย์นี้จะต้องให้สําเร็จพอไม่สําเร็จเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาแลอันนี้มันเป็นความหลงไม่ใช่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาก็คือว่าเรามีเงินเราสละเงินนี้ไปให้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเราก็มีความสุขใจเราก็ได้บุญแล้ว แต่ถ้าเขาไม่เอาไปทําประโยชน์มันก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไปทําที่ข้ อ, อไปทําประโยชน์ดีกว่าเขาคงเกรงว่าเคยพูดไว้แล้วว่าจะสร้างให้เสร็จแต่ไม่เสร็จนะครับแต่โอนเงินเต็มจํานวนไปแล้วก็เกรงว่าเขาจะบ่าเพราะว่าไม่เสร็จก็เหมือนที่เคยพูดไว้ก็มันเราเสร็จแล้วเนี่เสร็จใ น, ในส่วนของเราไงคือต้องมีเงินของเราไปเข้าถึงจะสร้างได้แต่ในส่วนของเขาเมื่อเขาเอาเงินไปแล้วก็ไม่ไปสร้างนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว นอกจากว่าถ้าเราเองอยากจะให้มันเสร็จแล้วก็ไปขออนุญาตเขาทำเองเลยไปจ้างช่างรับเหมามาทำเองอะไรต่างๆถ้ายังยังผูกพันกับเจดีหลังนี้อยู่ยังอยากจะให้มันเสร็จอยู่เสร็จไม่เสร็จก็ไม่สาคัญเท่ากับปฏิบัติธรรมให้มันให้มันสำเร็จที่การปฏิบัติธรรมดีกว่าเพราะเจดีมันก็แค่เป็นเป็นวัตถุท้าวลวัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเองเป็นป้ายโฆษณาบอกทาง การมีเจดีย์นี้เป็นการเป็นการชี้บอกทางไปสู่พระนิพพานคือการเห็นเจดีย์เช่อนอนุชนนุ่นหลังมาเกิดเขาเห็นเจดีย์เขาจะได้ถามว่าอนี่เป็นอะไรวะเขาก็จะสนใจศึกษาพอศึกษาก็จะรู้ว่าอ๋อเป็นที่เก็บพระธาตุของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์มันก็อยากจะถามต่อว่าแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มันเป็นใครวะมันถึงจะต้องเอามาเก็บไว้ในนี้ด้วยเ อ, อก็บอกเขาไม่มีกิเลสเขาเออ เขาทำบุญละบาปช้ำระจายจนสะอาดบริสุทธิ์ใครก็ตามถ้าทำบุญละบาปแล้วช้ำระจใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็เป็นพระอาหารหันต์ได้เขาก็อาจจะเกิดศรัทธาแล้วก็อาจจะออกบวชปฏิบัติจนเป็นพระอาหารหันต์ต่อไปก็ได้นี่คื อ, น, คอนี่คือความหมายของการสร้างเจดีก็มีเท่านี้เองเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ให้อนุชนรุ่นหลังที่เกิดมาแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวจะได้มี อ, อะไรมาจุดประกายความคิดขึ้นมาเท่านั้นเองตอนนี้ก็เจดีก็มีทั่วประเทศอยู่แล้วไม่ต้องเว้อ่้ไหมก่อนจ่มีอันเดียวก็พอเนี่ยพระปรสมมาเจดีเนี่ยหลังแรกก็พอแล้วมีไว้เพื่อให้เราร ก, กมามอา คือกิเลยของเรามันเป็นอย่างนี้ทำอะไรแล้วมันยึดติดทำแล้วมันจะต้องเอาให้ได้กลัวก็พูดไปแล้วก็เป็นงบาเราต้องทำด้วยเหตุด้วยผลดูเหตุปัจจัยเป็นหลักดูเจตนาลมของเราเป็นหลักถ้าเรามีเจตนาดีแล้วเราทำดีในส่วนของเราแล้วทำเต็มที่แล้วที่ในส่วนของคนอื่นนี่เขาไม่ทำเราก็ไปทำอะไรไม่ได้ มีอยู่ข้อนึงครับอานายกอนเขาอยากจะบวชครับแต่ว่ามีคืออยากจะบวชวัดบ้านเหตุผลที่อยากบวชวัดบ้านก็นคืออได้เห็นพ่อกับแม่ไปวดัดจีตใจนึงอยากจะบวชวัดป่าบวชป่าคีอเขาอยากเก็บบิบบัตแล้วนายกอนนี่คือจะบวชวัดไหนีครับก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างครับพระพุทธเจ้าวบวชก็ วัดใกล้วังหรือวัดอยู่ใกล้วังเวลาบวชหกปีนี้ไม่ให้ใครไปหาเลยไม่ให้ใครไปเจอเลยเพราะถ้าไปหาไปเจอแล้วมันจะมารบกวนใจมันจะลากเรากลับไปบ้านเข้าใจไหเวลาบวชท่านยังบอกให้ไปอยู่ไกลๆบ้านอย่าอยู่ใกล้ บ, บ้านอย่าให้พ่ออย่าอย่าให้พ่อให้แม่มาเห็นอย่าให้ญาติให้พี่น้องให้เพื่อนมาเห็นเพราะเวลาเห็นแล้วใจมันจะฝ่อใจมันจะคิดถึงเขาอยากจะอยู่ใกล้เขา พออยู่ใกล้เขามันก็จะวุ่นวายกับเรื่องราวของเขาอีกก็จะไม่มีกติจกระจายที่จะมาภาวนาดังนั้นคนที่อยากจะบวชเพื่อให้ได้ผลจริงๆเนี่ยเขาไม่อยู่ใกล้บ้านกันหรอกเขาหนีเขาไปบางทีเขาบวชไม่บอกใครเลยไปแบบเงียบเียบเลยอย่างพระพุทธเจ้านี่บอกใครที่ไหนจัดงานบวชหรือเปล่าพระพุทธเจ้านะทำไมเราถือพุทธังสนังกระฉามีแต่เวลาเราปฏิบัติทําไมเราไม่พุทธังสนังกระฉามี กลายเป็นชาวบ้านสะตนางกระฉามีไปหมดเลยทาเบียนต้องแจกการ์ดจัดงานบวชมีมหาหอรอศพนี้เล่าดื่มวะไ ม, ม่บวชหาอะไรอย่างเงี้นะอย่างนี้อย่างนี้ควรจะทําความเข้าใจกับพ่อแม่ก่อนไหมครับว่าเราจะไปวัดป่าเนี่ยให้ให้เขาอนุโมทนานในส่วนนั้นไปดีกว่าให้เขามาเห็นเราใช่ถ้าทําความเข้าใจได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็ห น, นีไปเลย พระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าทำความเข้าใจกับพ่อกับแม่ไม่ได้กับภรรยากับญาติไม่ได้ท่านก็เลยไม่ทําความเข้าใจท่านก็ไปเงี ย, งยบๆถ้ามโนแต่ทาำความเข้าใจปัจนนี้ก็ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดยังไม่มีปรากฏให้พวกเรามาได้กราบไหว้บูชากันฉนั้นเวลาเราทําอะไรในทางนี้ต้องมองพระพุทธเจ้ามองพระอรหันตสาวกเป็นตัวอย่างแต่เราองค์แต่ละท่า น, นี่มีชีวประวัติที่เด็ดเดียวที่แปลกจากชาวบ้านทั่วๆไปน อาจารย์ครับหากเราพิจารณามองเห็นตามจริงเนี่ยโดยเอาลําโพงเครื่องเนี่ยไปเปรียบเทียบกับสาราหลังใหญ่ๆที่สร้างมาแล้ว ไ, ได้ใช้งานเนี่ยเรากลับเห็นว่าลําโพงมีคุณค่ามากกว่าเนี่ยเป็นเป็นบาปไหมครับอาจารย์คือของแต่ละอย่างนี่มันก็มีประโยชน์ของมันในในสถานภาพของมันถ้าสถานที่นี้ใช้มีลําโพงแบบนี้มันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ พขาสามารถที่จะไปตั้งไปตามจุดต่างๆให้คนได้นั่งฟังได้เนื่องจากวันนี้เรามีความจํากัดในเรื่องการขอสร้างไม่สามารถสร้างศาลาหลังใหญ่หลังเดียวให้มานั่งฟังร่วมกันได้ก็เลยต้องเอาตามมีตามเกิดแบบนี้เขาเรียกว่าเอาแบบธรรมะจัดสรรมีศาลาหลังเล็กถ้าไม่พอนั่งก็นั่งกับพื้นข้างนอกที่จะให้ได้ยินเสียงก็ต้องมีลําโพง ที่บนนี้มันไม่มีไฟฟ้ามันจะเดินสายไม่อะไรมันก็ยุ่งยากก็เลยอาศัยไอ้เครื่องกระเป๋าหิ้วนี่ที่ไปชาร์จอยู่ที่บ้านบ้านที่มีไฟฟ้าถึงเวลาก็เอามาตั้งมันก็นี่ไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็เป็นใบของมันเองเราไม่ได้เป็นคนเรียกร้องหรือขอร้องอะไรคุณนี่คุณต่อแกก็อยู่ดีๆก็กล้ามากขออาสาสมัครทำ พอทำแล้วแกก็เห็นช่างาอ่าขาดอะไรขาดอะไรก็บอกกันไปพอคนเห็นคนที่มาก็เห็นว่ามันขาดอะไรเขาก็เขาก็เอาสิ่งที่ขาดมาใช่ไหมเสือขาดเขาก็ฮิ้วเสือกันม า, าลาโพงขาดเาก็ฮิ้วลำโพงมาเราไม่ได้ต้องบอกกันเลยคนเราถ้าอยากจะทำบุญแล้วมันเห็นเองไม่ต้องมาต้องมาชี้ชี้โพงให้กะระลอกหรอก ในแต่ละสถานที่นี้เราจะไปเปรียบกันไม่ได้ว่าสิ่งนี้จะดีไม่ดีเพราะแต่ละสถานที่นี้อาจจะมีความจำเป็นความต้องการไม่เหมือนกันขอให้เราดูที่ผลงานก็แล้วกันว่าต้องการผลงานอย่างไรแล้วมีเหตุอะไรที่จะทำให้ผลงานนี้ปรากฏขึ้นมาเราก็ต้องทำไปตามตามเหตุนั้นวันนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้ไป ตอนต้นเราก็วิตกเพราะเห็นคนมามากมากขึ้นแล้วศาลาหลังนี้มันก็นั่งได้แค่สี่ห้าสิบคนก็เลยต้องเมื่อก่อนนี้ก็รานเหล่านี้ก็ไม่ไม่ได้ปูอิดไม่ได้ปูอะไรก็เป็นดินก็ก็เลยลองปูปูปูอิดดูเผื่อไว้ใครอยากจะนั่งก็นั่งได้แล้วก็วิตกเรื่องฝนตกก็เลยต้องไปทำหลังคาที่ศาลาอีกหลังหนึ่งขัานด้านหลัง เผื่อเวลาฝนฟ้าตกนั่งบนลานไม่ได้ก็จะได้หลบเข้าไปในสาราได้มันก็เลยเป็นไปตามสภาพของมันอย่างนี้เพราะที่นี่เขาก็เป็นที่ของป่าไม้ไม่ได้เป็นที่ของวัดแล้วป่าไม้เขาก็อนุญาตให้พระมาอาศัยอยู่เป็นกรณีพิเศษตามปกติแล้วป่าแบบนี้เขาจะห้ามไม่ให้คนเข้ามาอยู่อาศัยแต่เนื่องจากพระมาอยู่ก่อนที่เขาจะประกาศเป็นเขตของป่า ป่าไม้เขาก็เลยอนุญาตเลยตามเลยให้อยู่ต่อไปได้แต่ห้ามขยายห้ามสร้างอาคารต่างๆเพิ่มจากของเก่าที่มีอยู่จะสร้างได้ก็รื้อของเก่าออกแล้วก็สร้างของใหม่ทับของเก่าไปแต่จะไม่ให้เปิดป่าใหม่ไม่ต้องการให้มาทําลายป่าก็เลยต้องอยู่กันไปแบบนี้แต่ก็ดีเพราะทุกคนก็รู้สึกว่าพอใจกันทุกคนก็ชอบบรรยากาศ บรรยากาศแบบป่าป่าเหมือนกับสมัยพระพุทธการสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีโบสถ์ไม่มีศาลาท่านก็นั่งกันตามตามลานอย่างนี้แหละตามโคนไม้ตามอะไรกันไปนี่ชีวิตของชาวพุทธแท้จริงต้องแบบเรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติไม่ต้องวุ่นวายกับการสรรหาแสวงหาสิ่งต่างๆทั้งหลายมารับใช้เราเพราะมันจะวุ่นวายจะไม่ จต่ีมีเรื่องไม่มีจบถ้ามีนูน่นมีนี่เดี๋ยวก็ต้องมาคอยซ่อมคอยรักษาอีกคอยบำรุงหไหมมีพอสร้างโบสถ์แล้วก็ต้องมามาซ่อมโบสถ์มาบำรุงโบสถ์รักษาโบสถ์นี่ไม่มีก็สบายเาฉะนั้นขอให้เรามองไปที่พระพุทธการพระพุทธเจ้า ทำไมท่านท่านอยู่อย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรทำไมท่านถึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นมากันเป็นจำนวนมากมายท่านเกิดขึ้นเพราะว่ามีโบสมีเจดีย์หรือเพราะไม่มีโบสไม่มีเจดีสมัยนั้นไม่มีโบสไม่มีเจดีมีแต่พระอรหันต์พระอริยะเจ้าเพราะท่านไม่มาเสียเวลากับการสร้างโบสสร้างเจดีท่านมาเสียเวลากับการภาวนากับการเจริญศีนสมาธิปัญญา เอกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้แหละเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่ได้ไปเกิดที่เจดีที่โบสถ์ไปตายที่เจดีถ้าไม่ได้ไปเกิดที่เจดีเขาจะเป็นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าเวลาตายแล้วเขาก็เอาไปใส่ในเจดีในใส่ในโบสถ์ถ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขา ตามสถานที่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆสถานที่เหล่านั้นเป็นที่เกิดของพระอริยะเจ้าทั้งหลายส่วนที่ตายที่เก็บพระธาตุนี่เป็นคือคือที่เจดีย์ราะเป็นพระพระอ า, ารามเป็นพระท้าเจ้าแล้วาตายไปเขาก็าเอาไปสร้างเจดีย์ไปบรรจุไว้ให้อนุชนรุ่นหลังที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวจะได้มาศึกษาเพื่อจะได้ดําเนินตาม แนวทางที่พระเจ้าได้ส่งดําเนินมาเท่านั้นเอ ง, งเราอย่าไปกังวลกับเรื่องการสร้างเจดีย์นะสร้างหนังสือธรรมะจะดีกว่าเอหนังสือธรรมะไปอ่านอ่านแล้วก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติเ <S S 2> อาไปดูเจดีมันก็ต้องมาศึกษาจากหนังสืออีกทีหนึ่งเอาไปดูเจดีว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครก็ต้องมาศึกษาหาหนังสืออ่านอีก บางทีมันก็ต้องมีไว้บ้างจะได้เผื่อคนไม่ไม่เคยสนใจอ่านหนังสือเลยแต่ไปสนใจกับ <c oughs> สิ่งปลูกสร้างต่างๆพอสิ่ ง, ง, งปลูกสร้างใหญ่โตก็ขึ้นมาเอ๊ะทาไมสิ่งนี้มันถึงใหญ่โตมาโหฬารอย่างนี้มันมีความสําคัญอย่างไรก็เป็นจุดที่จะจุดประกายความสนใจพอมีความสนใจแล้วก็จะได้ขวนขวายศึกษาหาความรู้ต่อไปพอมีความรู้แล้วก็จะได้มีแนวทางของการปฏิบัติ พอปฏิบัติก็จะได้บรรลุมรรคผลให้ผ่านได้นี่แหละคือเรื่องของฐานวลวัตถุต่างๆในของพระพุทธศาสนาสมัยนี้วัดจะแข่งกันสร้างสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับพระอาจารย์เอากิเลสมาสร้างกันทั้งนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็กพระนิพพานนี่ไงอันนี้แหละคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง โลกุตลธรรมธรรมที่เหนือโลกยิ่งใหญ่กว่าโลกก็คือมรรคผลนิพพานไปสร้างเจดีมันก็อิดดีดีนี่หินดีดีนี่ปูนทรายดีๆเนี่มันจะไปวิเศษวิโสขึ้นมาได้อย่างไงต่อให้มันใหญ่ขนาดครอบโลกได้มันก็ไม่วิเศษวิโสอะไรสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลายเป็นซากประหลักหักพังไปเห็นไเห็นปีระมิดมที่เขาสร้างกันมาเนี่ยใหญ่โตขนาดไหน แล้วตอนนี้มันเป็นอะไรมันก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งตั้งอยู่อย่างนั้นโดเดยอย่างนั้น mm hmm. เอาแล้วนะคิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขอเอาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความจเจริญรุ่รงเรืองในธรรมที่จะตามมาต่อไปเทอ